ถ้าเกิดเปล่นแกกูรื้อท่านนิวอายถ้าเปลี่ยนแกซ้องพุทตาลูกเต้าถักเปลี่ยนแกผพาหยอดเงาเจ้าจอมถ้านั่นจา่าท่านข้าโบราณคําโบราณภาคอีสานเนื้อข้านองตัวแกกราปุ ก, กทอมชากลางทาง่าไอ้หนาพระเกศทังพ่อแรงข่อยคําั่นตกตํารับจอมผากูหาเที่ยวไปมากานาั่นหอดคําโบราณ อีสานจินตะกุย เ, เพื่อแต่งเลือกจิงให้เครื่องเพื่อให้ไพเราะในเชิงกราบเนี่ยเป็นมาเมื่อกี้นี้คำภาษาภาคอีสานเนาะเพิ่์ลวาภาษาธนาสีเสื่อมจากจากาพุพัทย์ในชาดกพระเวศสันดรเสืออเส่อมก่อนชาดกพระเวศสันดรเสื่อมก่อน เดี๋ยวน่มือห้องก็บ่กใครเอาบุญพระเวทชั้นดอนแต่ว่าหากเอาอยู่บุญพระเวทั้นดอนเขาเอาในทางพรมัดเสมอเนี่ยเอาในทางพรมัตอย่งไรพระเวทั้นดอนเทอยู่มัดมือวัดขึ้นอดอางไรแน่ยทอมมือวัดวันพระเวทั้ น, ด, ด, ด, ด, นดอนให้ท่านนี่ยเไปรักษาศีลหาแล้วก็พวานามนเมตตาและเพลงเตโชกศีล ลูกเขาขี่รีว่างกดพุดนขันผู้ใดไม่ธาตไม่เียไม่พระวนาก็เรียกว่าเอาบุญพระเวทสันดอนเดีวยวว่ามีก็เวงกังคืนนว่าท่านเถาะอาจจะมูอเห่าอนันเอาบุญพระเวสฉันดอนนะบ่ามันขายบุญพระเวสสันดอนเนี่ยเอาบุญพเิเภกขาดแต่งวตว้วแต่กล้วยเป็นส่วนมากบุญปั้นเขากี่นั่งบุน่าธาตุน่ะ ก็บอกว่าแต่บนญแต่ปันเข่ากี้ละบุญเข่าหนึ่งห้าก็ในท่านบุญเข่าห้องห้าก็ในท่านท้าบุญแล้วไปยุ่งใจท้าบาปแล้วก็ไปยุ่งใจเพราะใจเป็นผู้พ้ำดวลหลวงว่าเป็นหนึ่งเคื่อมาโนผู้พังเขามาธรรมามโนเสถิษฐามโนโมายาทำทั้งร้ายมีใจเป็นใหญ่ทำเร็จแล้วด้วยใจ จะทําบาเข้าใจเป็นหัวหน้าจะทําบุญ้าใจเป็นหัวหน้าเหตนั้นจึงย่นลงมาหาเอกะนิบาตคือใจเอกะนิบาตย่นลงมาในปัจจุบันปัจจุบันนันเจยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม่งวันงา้นคอนแคลนในทางพระพุทธศาสนาแลยทำมาหมดหมดของธรรมคือบทของกายบทของวาจาบทดของใจถ้าว่าเป็นสาม ถ้าแปลว่าเป็นสองก็บทของกายกับบทของวายการนโมก็มีสองเหมือนกันนโมกายนโมใจนโมสามนโมกายวายกายใจเพราะกายวายกายใจเป็นผู้นอบน้อมนโมแปลว่าผู้นอบน้อมนโมหนึ่งก็มโนผู้พังคือนอบนอบใจพุทธภาสิตก็เหมือนกันเทวตาภาสิกก็ตามสาวกะภาสิกก็ตามก็ออกมาจากมโนผู้พังเหมือนกัน ก็ทู่ใจจะทำบาปก็กระทู่ใจเป็นผู้ทําจะทำบุญก็กระทู้ใจเป็นผู้ทําจะขยายกว้างแคบพอใจเป็นผู้ขยายออกจะพูดมากก็มากออกไปไกไกลจะพูดน้อยก็น้อยลงมาหาใจกล <c oughs> ถ้ามากไปทางบุญก็เป็นบุญถ้ามากไปทางบาปก็เป็นบาปถ้ามากไปทางบุญก็บุญบวกบุญคูณบุญถ้ามากไปทางบาปก็บวกบาปคูณบาป มันก็คูณแล้วบวกแล้วลบแล้วหารอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่อยู่ที่อื่นเรามานี่ก็ใจเป็นผู้พามาด้วยคนตายมาไม่เป็นเรามาแบบพอใจหรือไม่พอใจแล้วก็ถามเราสิเป็นสันติธีโกรู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นเองแต่สันติทีโกในทางพระพุทธศาสนามันมีขอบเขต สันทิษทิโกพระสดาบันจึงเอาเป็นประมาณได้ตามก่านั่นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้เช่นเขารักศกห่อยอย่างนี้เขาก็สันทิษทิกโกเขาก็รู้จักเขาอยู่แต่เขาปฏิเสธเขาก็รู้จะจัดเป็นสันทิษทิกโกเสื่มภูมิไม่ได้สันทิษทิกโกในขังพุทธการก็หมายเอาพระสดาบันเป็นต้นไปสันทิษสันทิษทิกโกสั้นสุดท้ายก็หมายเอาพระละหันเพราะมีความเห็นว่ารุดพ้นทุกโดยประการทาั้งปวง นโมพระสวดาวัน n นโมพระสกทาคามีนโมพระอนาคามีนโมพระอรหัน์มียิ่งยองกว่ากันด้วยมียานทรัพยยุทธ์ต่างกันด้วยมีความหมายต่างกันอีกด้วยนโมพร ะ, พ, ระรพุทธเจ้านโมพระสมมานพระพุทธเจ้านโมพระสวดาวันเป็นนโมวบืงต้นของพระพุทธศาสนานอบน้อมจนไม่สงสัยในคำสอนพระพุทธศาสนาเว้นจากอบายามุขทุกประเภทพระสวดาวัน ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศินห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสธาอื่นอัญเชิญตุ้เทศไม่ถือสาธาอื่นชัจาพิษานานี้อภพโภกาตุงถ้าว่าเป็นสังกโลกอีทรรมปิ ส, สั่งเครัตนังปณีตังเอเตนะสตเกนะสุวัติโหตุหน้าตามภาษาสังโลกไม่ได้ว่าตามภาษามาคต ถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่าพระสวราวันท่านไม่ยอมถือศาตราอื่นเรียกว่าอนันตริยกรรมหกเราเคยได้เรียนกันแต่ว่าอนันตริยกรรมห้ามาทุข่าฆ่ามารดาปิธุข่าฆ่าวิดาอนัคตุข่าฆ่าพระรหันโลหิตวบาตถึงลาทำลายพระพุทธเจ้าถึงอย่างระโลเฮทไห่ไหัวเกนไปสังฆเพศย่างสองนี้แตกจากกัน อันยักดตุ้ธเทศถือศาสดาอื่นไม่มีในพระสวดวรรณการค้าขายก็มีขอบเขตค้าขายเครื่องผหานค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตวเป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกฆ่าประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้า ไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมองคลไม่แสวงหาเกษบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติทาประการและเว้นจากวิบัติทาประการซึ่งตรงกันข้ามนั่นคำสอนที่ออกจากมุขาปาปของพม ร, รมาสสาแล้วเนี่ยพุทธภาษิตนัน่นเอง ใครเทศเก่งก็ไม่เท่าพระบรมศาตราพระบรมศาสราเทศมดจึงยืนยันว่า ส, สักทางพระพยัญชนะนางเจวราปราปภริภริปุลังบริสุทธิ์ทางพระมรดยังประกาศเสสิและประกาศแล้วบริบูรณ์ธรมหารพระกวรรตังอริโกธยามิตรามหามกรวรรตังศิรส า, ศ า, ศานามาภิจึงยอมกราบยอมไหว้ไม่ได้รงกราบไม่ได้ร้งไหว้เรื่องสายในพุทธศาสนา เลื่อมใสตามธรร ม, มาทิปไตยจึงถูกถ้าเลื่อมใสในอัจกาทิปปไตยเห็นตนเป็นใหญ่ก็ไม่ถูกเห็นหมู่เห็นพวกเลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสตามหมู่ตามพวกก็เรียกว่าโลกาทิปปไตยก็ไม่ไม่เหมาะสมเลื่อมใสตามธรร ม, มาทิปไตยที่เราได้เห็นชอบว่าพระพุทธศาสตร์นั้นมีดีอย่างไรเราจึงยินดีเราจึงนับถือในเบื้อต้นของพรห ม, มาจารณาเนี่ เหตุเชนั้นจึงให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงถึงนะโมแล้วก็ถึงพุทธทางถึงสุตติตติเราไม่ถึงสุตติตติเสียแล้วไม่ลึกได้ไม่ได้กรณีความออกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกมาไม่มีประมาณตาเข้าเข้าสู่พระ涅พานพ้นจากทุกนวัตตาสงสารตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกมาไม่มีประมาณนั้นเถิดนเรียกว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทางโลกุตระถ้าถึงพระพุทธพระธรรม พระสงค์ในทางนรกก็คือเอาพุทธโธเลขพุทธโธผาพุทธโธวัดพุทธโธเบอร์ก็เรียกว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทางนรกอ น, นั้นเธอทั้งหลายจมพากันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าได้สงสัย และจงมีสินห้าให้บริบูรณ์เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเนอะพระบรมธาตานทาทำคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยเป็นดิ่งของชาวโลกถ้าชาวโลกตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเอ้า พู้ที่ถือไม่มีบาปมีวนไปรอดไหมน่นไปไม่รอดเหมือนกันเห็นอายามพระทันตากรรมและผลของกรรมเป็นผู้ตัดสินอยู่หาถาวรไม่ได้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนายึดมั่นแล้วเหตุเะนั้นการให้คะแนนกันจะถูกหรือไม่ถูกก็ตาม การปุบกันจะถูกหรือไม่ถูกก็าตามกันนิ้วหักกันจะถูกหรือไม่ถูกก็าตามการยกย่องกันจะถูกหรือไม่ถูกก็าตามผลของกรรมมีอยู่แล้วนะชาวโลกจะรู้วิเศษวิโสสักเพียงใดก็าตามก็อยู่แต่อำนาตกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นจะเหนือกรรมและผลของกรรมไปไม่ได้เว้นพระอรหันต์เสียนะกรรมในฝ่ายกุศลกรรม พระบรมมสาสดาก็บัรดัดเอาพระอนาคามีเท่านั้นกรรมในฝ่ายอกุศลกรรมก็มันหยัดจนถึงมหาวิญีนรกหรือโลกันตนรกอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมกรรมวินาวัตติโลโกสานโลกเป็นไปตามกรรมเหตุฉะนั้นกรรมทั้งหลายจึงจําแนียกรับ จำแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันดีเร็วก็คือผลของกรรมนั่นเองนั่นใครจะเก่งกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีดอกบางแห่งก็ทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันว่ามาแหรพระอยู่ป่าเออมาแห้พระอยู่ป่าจะบอกอรุศาสตร์ยังไงนั่น นี่เทศแท้พระฟังเนี่ตอนนี้โยมก็ฟังเหมือนกันล่ะแต่ข้างพุทธการเวรุวันสวนไผ่ก็ป่านี่โครารามก็ป่าเทศตะวันมหาวิหารก็ป่ามุขพารามคองนาวิสาขาก็ป่าลัทธิวันสวนตาหนุ่มก็ป่า นี่ฉะนั้นในที่ภูเขาขา ว, ขาวในภาะไต้ปรย์หลกเขาก็ไปสร้างพุดติวิหารให้พระเมร์เชียตั้งหลา ย, ห ล, ายหลังตั้งหลายร้อ ย, ยหลังนั่นที่นี่ถ้าเราจะตัดป่าออกที่นี่ภาะไต้ปรยกก็ไม่ครบอภินหายยธารมก็บอกแล้ว ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกข้าบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้พิการณาเราใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสระทงเคารพนับถือพิกจานั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านไม่รู้อํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยว่า เพนภิกษุสา ม, มเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วก็ให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเกีรตอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสริมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนั่นนั่นนนั่นนั่ น, น, น, น, นพวกหนังสือพิมพ์หนังสือพ่อยอะไรอย่าไปเชื่อเออเดี๋ยวกตว็ตื่นข่าวนะตื่นข่าวอันนี้ พูดอะไรทำอะไรไม่มองดูพระพุทธศาสนาทำตามอำเภอใจกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่นั่นบางท่านเรงเกียดพระวัดป่าแต่ก่อนมันก็เป็นวัดป่านั่นเองอบ้านมันลา ม, มาหางอกมาหาก็เลยกลายเป็นวัดบ้านไปเรามองดูนี่ก็รู้จักดี วัดป่าสุทธาวาสะกรนครในสมัย2492ไปวินท่าบาท2กิโลจึงถึงตัวเมืองแต่ทุกวันนี้เป็นเมืองหมดแล้วรถวิ่งรอบศาลาวิ่งรอบวัดนัดเพียงเท่านั้นละเพียง40ปีเท่านั้นละพระบรมศาสด า, า, าก็เกิดที่ป่า ป่าลุมพินีวันตัทโรก็ตัทโ ร, รที่ตำบลพุทธคยาอทอรงอายุสังขารกวเวรุวันสวนแม่ไผ่สเสรจเข้าสู่อนุปาทิเสสานิพานก็คือคือสารวโนทยานในทางทิศตะวันออกของเหมืองกุเชนาราปานางรังทั้งคู่ที่ยกว่าสาละป่าสาระ เรียกในภาษาภาคอีสารเราในพ่อเดชสันดอนว่าสาราไม่หั่งพันชันั่งไม่พ่อเตะทุ่ ม, มว่าอันว่าไม่ทั้งหลายสูงนั่นอล่มหัาว่าพัดกวดแกงให้อ่อนน้อมข้อมแปงไปมาในชุวนเราพน้นว่าพ้นหัวข้า็ฟังมมกจะหัวสียแตกเมียนบอกควงข้าต้มข้วมจึงหัวาปากกับปานนั่นหหน่อยเครับบพคล้ายพเพราคล้ายว่าอะรเป็นโทษแมนบอก ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เมืเอ่อถึงพวกปณิปณเแผ่นดินนะับสองแสนสี่หมื่นโยธเขาเอาลูกระเบิดมาปรมาณูทาลายไม่แตกทําลายแตกคิดถึงพระพุทธรรมปะสงค์แล้วใครทําลายก็ไม่แตกเลยเนะั่นเรียกว่าอิจาราสัทธารัทธาที่ไม่บกแวทเป็นโลกุตตรสัทธามีโลกุตตรปัญญาสัพยุด้วย เรงต้นสอนให้เลื่อมใสในพระพุธพะทธธรรมประสงค์เสียก่อนแล้วจึงรักษาสินห้าสินห้าข้อถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นศินข้อเดียวเป็นเชือกฆ้าเกลียวมารวมอยู่ที่ดวงใจสินแปดก็เป็นเชือกแปดเกลียวมารวมอยู่ที่ดวงใจถ้าไม่ล่วงละเมิดสินสองรอยี่สิบเจ็ดก็เป็นสองรอยยี่สิบเจ็ดเกลียวมารวมอยู่ที่ดวงใจแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ ก็เป็น8ปดหมสี่พันพระธรรมขันตรียวมารวมอยู่ที่รวงใจเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติลงในปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมปฏิบัติธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอแ ง, งานค่อนแคลนในทางพุทธศาสนาแน่เห็นเกิดแก่เก็บตายในปัจจุบันเกิดแก่เก็บตายในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าอย่างนั้นเขาเดียว่าไม่เห็น เอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันถ้าอย่างนั้นนักภาวนาก็ไม่เส้นความสงสัยละนั่งนูอยู่คณะจิตเดียวเห็นทั่วไตทักกต่กระทาเลยเห็นสองทะลุภูเขาสองทะลุดินทะลุนา้าทะลุไฟทะลุลมตลอดถึงพร ม, มโลกทําไมถึงว่าอย่างนั้นเห็นอเน จ, จังขณะจิดเดียวเห็นโลกทะลุเลยพโลกจะไปด้วยอเน จ, จังถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะสงสัย ไม่มีใครจะสิ้นความสงสัยความเข้าใจของตนได้ก็ไม่ชนะความหลงของตนได้ชนะโลกก็คือชนะความหลงของตนชิ้นความสงสัยในโลกก็สิ้นความสงสัยของตนนั่นเองน่นเราเรื่อมใสว่าพุทธศาสนาพระโครมก็ถ้ากล่าว่าเลื่อมใสศาสนาใดๆทั้งปวงในโลกทั้งโลกอดีตโลกอานาคต ด, ด้วย พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ด้วยอันนี้กษะตระโกทโยพระพุทธเจ้าจะมาอีกคนมากกว่าร้อยโกรธแต่กลับก็มากกว่าอสงไขยอาสงไข่กัดแล้วพระพุทธเจ้าจะกกี่พระองค์จนนักไม่ไหวเสียแล้วก็มีทำอันเดียวกันไม่ใช่คนละอันมีชิ้นห้าชิ้แปดชิ้สองรอยยี่สิบเก้าอันเดียวกันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ศีละขันหมวดเสนิสมาที่ขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาวิมุติขันหมวดวิมุติวิมุติญานะทัศนะขันหมวดวิมุติยานะทัศนะก็มีความหมายอันเดียวกันศีลขันตัดเสนลงในปัจจุบันสมาธิขันตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาขันรอบรู้ในปัจจุบันนั่นทีนี้ทำทั้งหลายรวมลงเป็นอันเดียวกันศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์วิทยะ เพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้เิตตะเอาใจฝักใฝยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาในกรรมฐานที่ตั้งไว้นี่ถ้าพูดในด้านภาวนาก็ต้องพูดอย่างนี้ศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะความเพี้ยนเพี้ยนในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิความตั้งแง่มั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและเลือกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้อันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกัน ถ้าเราจะเอามาปฏิบัติให้กลมกืนกันทีนี้ต่อไปใครท่านผู้ใดจะพูดยังไงก็พูดมาซะก็ไม่รู้ว่าครับพูดยังไงเพราะคนมากใครต้องการใครก็ท่านผู้ใดก็ต้องการอันหนึ่งคนหนึ่งก็ต้องการอันหนึ่งลําบากเหมือนกันการที่เล่าให้คนหมู่มากฟังเน่ะไม่รู้ว่าใครจะต้องการอะไรอ่ะ ถ้าภาลบทำก็ไม่พอใจบุคคลผู้พิจารณารำสูงถ้าภา ร, รบสูงก็ไม่พอใจบุคคลผู้พิจารณารำต่ำยะต่ำหรือสูงทำคําสอนของพระบรมศาสดาก็ส่งต่อพระนิพพานหมดทั้งนั้นเหตุฉะนั้นธรรมเทศนากันเดียวกันคนหนึ่งไปฟังถึงไตรสถาคมคนหนึ่งไปฟังถึงพระโสดาบันคนหนึ่งไปฟังถึงพระอนาคามีคนหนึ่งไปฟังถึงพระอนาคามีคนหนึ่งไปฟังก็ถึงพระอรหันต์เพราะน้อมจิต ต่างกันทำแต่ละวัฏระบัตรส่งต่อพญพาลหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาแก่ข้าที่สร้างมาแล้วในพวก่อนก็ดีในปัจจุบันที่เพิ่มมันเข้าภูเบจยกตะปุญญาตานั่นเองอทัหมดเดียวกันมีความหมายต่างกันยิ่งย้อนกว่ากันมหาเทระสั้นที่หนึ่งคือพระธรรมาทั้พุทธเจ้าทั้งหลาย มหาเถระสันที่สองคือพระปัจเจสันที่สามพระละหันตาขีหน้าศพสันที่สีพระอนาคฆะมีสันที่หาพระสกทาฆามีสันที่หพระสสดาบันเบื่องอมูเฮ้าได้ถําเพนทลิดเพิินด้วยกายะกรรมสามกิจกรรมสี่มนุกรรมสาอันใดอันหนึ่งก็ดีทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันก็ดีด้วยเดชพระมหาเถระทั้งหลายเราหนั้นจงทรงอัตถุให้แกมูเฮ้าอยู่ตรงนี้มามีประมาณ ผลทุดท้ายมูอเห่าต้องประสมจะควมสุ้ควบจะเล่นในทางที่สอบยังยิง่งขึ้นไปกระทึงที่ชุดทุบโอยสอบอยุทุกเมืองบ่มีพมา่านก็ขาดเลิศในระหว่างมูอเห่าที่ม่านี่ก็ดีที่พมานี่ก็ดีก็ดีดในทําทิ่กันด้วยกายกรรมสามวก้กีกรรมซี่มโนกรรมสามอันไหนอันหนึ่งก็ดีมูอเห่าทั้งหลายตายัวทางใจโลกธาตุต่างไฟต่างให้อาหัวสิกรรมแก่กันแก่กันยุทุกเมืองบ่มีพมาน ดาบตเท่าเขาทูพนิาพาคธ์นจากทุพนวัตตาตรสรางสารอยู่ตรงมาเมือมนประมาั้นก็ขาดเทอนเด้อหางตรงเฮียฮิพิเบทวิตะบาง เอวังหตเอวังหตโยยาปงมัชตโซวัจจรโซวัตตะติโซวังหลัวตังปาเิอภมุโตวายัญติมายาสปปปังกตังกมังเนะะิยติโังัังคัปิอภมุโตวัติมิวาธนเสิสังวตาปกานตารัธมาวนทอายวสุขังพะังธมวัดทั้งัเจรสาะธมวัทั้งทั่วทั้งทั่วทั้งไตโลกธาตุ มันบาบาบบบบาบแล้วเขาลบท้ำอันมมีเวทในไพ่มันเถือบาเพียงเขาลบถ้ำเลบถ้จำหนงด้วยกินและกายากามเาว่านี่ถ้ำวัดทั่วทั้งไตโลกธาว่ามีเวในไพ่กันไอ้หัวที่ทำแก้กันนึกกันในทุกเมือมันบาบาแบบนันบาบาแล้วเขาลบท้ำอันโมมีเวทในไพ่เลย เม่ไม เ, เข้ารถพังกระดูกเด้อเม่ไม เ, เข้ารถดีหน้าไยร่มเด้อบอกว่านว่าผนมากผลอีกกรแม่เยอะผลอ้อกระตายตื้มสูงหาดอาากไม้บัวากอกชีหมานี่มันติต อ, อ้องคนเอองูเข้ามาทำวัดพ่นระกู่ซะพ่ะพนระกู่ลงทุนลงแหงมาทำวัดเห่าพักเสระเะด้เนี่ยบวชจะนานเลยเนี่ย เทนะเก่งทางปริเก่งทาปฏิบัติเนี่ยปริญญาเก่งปริญญาปฏิบัติเกงปฏิเวศเก่งปฏิเวศของผลของการปิฏิบัติผลของการเลี้ยงผลของการเลี้ยงก็ว่าปฏิเวศเลี้ยงซึ่งกันอ่ะชุดชุดชุดตามย่าเป็นพระั้งซัวเนี่ซัวซึ่งกันสามารถจะไกลก็ะซ้างสามารจะไกลกระตามกะมันเศ้าพูดท้องเฮานี่ล่ะ ของเก่านี่ยแะถือพระพุทธศาสนาคือเก่าเข้าหันละเราท่านเอาหลดว่าเอออยู่ใกล้กันขอบฟ้าต่างฝ่ายต่างถือพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ได้เชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยทำแลพระพุทธเจ้าสอนนกันเพื่น้องชาวพุทธอยู่ใกล้กันขอบฟ้า เธอว่าพระพุทธรรมประสงค์อยู่ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมแล่ไปถึงพระพุทธธรรมประสงค์เยะจะเข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์ยืดนำพระพุทธลูกยะเข้าใจว่าพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในวัดในว่าในวัดในว่าเป็นที่พักของทําความเพียรในไทรดอกยืดนำหัวใหญ่แต่ละท่านแต่ละโค่นนั่นพระพุทธธรรมประสงค์ ผีวอกผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําพุทธธรรมสงฆ์ไม่มีแก่ผู้ไม่ระลึกถึงแล้ถึงคึ้นมาพูดพูท่า ม, มาสงฆ์พูดพูดท่า ม, มาสงฆ์อายุใจฮั่นพ่อไก่เป็นผู้ระลึกท่าโมสังโคเป็นเสืกสามเกี่ยวเกี่ยวกันย่ในใจไม้สามเกี่ยวเกี่ยวกันพันเขา่าเลยวะพันเขาเ่าย่นในหัวใจเฮนะั่น โมมีน้อยแก้วย่องอยู่บนหัวก็ส่วนผงทุรีหมดที่ไหว้วางเมียนนีงหักกับกาญเกตสินไส้ลบกันแก้วย่องอยู่บนหัวพอคุณพระธาตุประสงค์ย่องอยู่บนหัวใจคราวนี้คุณ พ, พระ่าตุประสงค์ย่องอยู่บนหัวใจโมผงทุรีหมดที่ไหว้ว่างเมียนนะว่ามีคติเป็นสองบอมานุษย์กับสวรค์ ถูถึง พ, พระโพธพระธรรมประสงค์ถูมาถึงมระโพธพระธรรมประสงค์ก็กงองินขามมโนนรกระทัดติและชาเปียและสุรกายมูนหนูในคิดในไก่ได้มูนของคิดของไก่คือกุศลพ้นบุญมูนของคิดของไก่คนพลาดคือบาสมูนมโนรกของคิดของไกของนักปราชญก็คือบุญนะบอกของฉัน เฮ็ดบุญกับบุญบวกบุญผู้เฮ็ดบาปกับบาปบวกบาปไปบวกก็หัวใจละไม่ได้บวกื็มันอื่นบาปบวกบาปไปบวกือหัวใจและไม่ได้บวกือมันอืินเฮ็ดบุญแล้วเฮ็ดบาปแล้วก็เพได้ลำบากเอินหาคือมูเฮ้าผู้นั้นยุติสายผู้นี้ยติสายบอกว่า มันแรเขำว่าห้อยไก่โลดบาดเดียวหรืว่าเฮ็ดบาปเนี่ยเขาแรงคาว่าห้อยไก่กระยุ้นได้หันไล่นี้มันกับว่าหนีเฮ็ดบุญแล้วยกระยุ้นได้ห้อยไก่ไล่นี้มันกับว่าหนียุ่หันเลยอ่ะเป็นการมาบุญบุญยังโจรเหยทูลหาลังมุนโจร น, นําไปไม่ได้หรือนไไําไปได้ออยากเพราะว่าจะบุญเพแต่บุบญโจร น, นั่มไปไม่ได้แล้วบาปโจรก็นั่มไปไม่ได้เท่กันนะของไปของมัน เราไปใช้คำว่าของเก่าเนี่ยมาหาใจของเก่าเนี่ยผู้ฟังกับมันเอาใจฟั่งผู้เทศกับมัเอาใจเทศผู้ปฏิบัติกับมันใจปฏิบัติผู้เฮียนกับมันใจเฮี้ยนผู้เขียนกับมันใจเขียนโคตตายเขียนก็เป็นผู้ทองบนก็ไม่ใจผู้ทองบนผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติตัวกับมัใจผู้เหตุหมดเอาโลดุณผู้ใดสมัยญาติเห็ุบุญกับวิภายสมญาตเหตุเยอะนี่บาปกับวิภายสมัยญาติเหตุเยอะนี่ กันเท็ดแล้วเขเพื่อ้สิมั่ญาติเอาคือกันได้แล้วมึงจได้ห้อยจ่ออกไปหั่นนายบเขาสั่นอร่อยเขาเอาไปไกลไอ้าไก่เน่ยาบ้าไกล่ไี่อ้บ้งกรรมฐานนั่งไอ้บ้างแปว่าอันนี้คือห้อยไ่อ้บัางไอ้ม้างกรรมฐานตังตั้งกรรมฐานใปที่ใจไงใ่กรรมฐานกับมีตัวเดียวนะล่ะหน้าหน้ากรรมฐานกับยศลงมาหายจิตตากรรมฐานนล่ะฐานะตั้งลงันใจลงใจ นีก็มีกรรมฐานอันเดียวบอกท่านศีลก็มีตัวเดียวศีลใจสมาธิก็มีตัวเดียวคือสมาธิใจอันนั้นมันนิท่านมันไม่เคยหรอกศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศอันเป็นนิท่จะสมเทศก็นิท่านของใจ่เหรอบอท่านควบมีมุตหลุดพ้นจากควมหลงของเจ้าของกับมันใจนิ่พลานควมดับเพลินในวัฏจักรงสารกับมันใจบอกท่านอรรถใจที่มีสติปัญญา ชนะกันสนะควบหลงกับชนะโยเมืองไก่เนี่ยเถืกแพ้กับแพ้โยเมืองไก่เนี่ยการจะให้ตอบท่าภาลมัติตอบไปงไ่ายได้ยอเนี่ยพระพุทธเจ้าตัตทะลู่โยสก็ตอบในทางพระสูตรในทางพระวในัยก็บอกว่าตัตทะลู่โยไม่มหาโทษแต่บลพุทธคุยยเนี่ยการให้ตอบในทางภามัติตัตทะลู่โยสทัตัตทะู่ยเมืองไก่กันชนะทัศกิเลสโยเมืองไก่กันพระองค์สันเอาโลดว่า สมัยนั้นสมัยนี้เอกังสมัยยังสมัยนั้นสมัยนี้ก็สมัยของไก่เห็นไหมฮะเห็ุสมัยแปลเวลาชั่วคราวเรียกว่าสมัยเรีว่าแปลว่ายุคะยุคกับยุคของไก่สมัยของไก่นีท่านก็นิท่านของไก่อดีตเป็นอยังนิท่านของไก่ที่ททร้องไปแล้วน่าคนนี่อย่างนิท่านของไก่ที่ว่าท่าน่าเถืองปัจจุบันคือนิท่านของไก่ที่กขาลั่งเป็นยูน่าหนาย่นลงมาเป็นหนึ่งเอกระเนบากนิบากระแปลว่าบท ราหบอกมันทุกการิบาตหมวดสองที่กานิบาตรหมวดสยะตุการณีบาตรหมวดสี่ปัญจการิบาตหมว ด, ด, ดหา้าเด็กขย้นลงมาให้ไก่เบิ้ลริยนทําบิว่ามโนพพังอามาธมามโนเส ษ, ษามโนมายาทำทั้งหลายมีใกเป็นใหญ่เอาไว้สนันนี้นี่สังเรียร์ด้วยไก่กุศลธรรมว่ากุศลธรรมะก็เป็นไก่ปผู้สร้างขึ้น เอาไปใหตาทําะไรเขาไปใหญ่เพื่อสร้างอื่นสังกะโหอัอสังกะโหสังกะโหแปลว่าสงเคราะังอัสังกะโหอัสังกโหแปลว่าไม่สงเคะห์ไ่สงเคาะห์ลงมาหายใจสังกโหแปลว่าสงเคาะห์ลงมาหายใจว่ามุ่นเดิมก็คือมุ่นใจนี่แหละเหี้ยนมุ่นเดิมก็คือใจนี่มาเกิดเอาใจมาเกิดเนี่ยเอาใจดวงเดียวเรามาเกิด นา้องแม่หันายขื้นมากคมีขาสองแขนสองหัวหนึ่งก็มาไหนม่ดอกอันนั้นนั่นมาตายเอาใจเราดวงเดียวไปไม่บุญเอาไปน้ำบุญไม่บาปเอาไปน้าบาปมัวเห่าเขาบ่กไม่แน่สงสัยไปสงสัยไปใช้อีกไม่ได้สงสัยสอนท้ายเดียวกันดอกว่าเพื่อนแตมันเจ็ดเป็นใจของเขาท่านนะค่อมดีแตมันใจไป็นูิวาท่อมท่อชัวมันใจเป็นภูมิวณธา รักษาศีลหลายตัวอะไรมันก็รักษาง่ายสิศีลตัดศีลลงในตัวเดียวขี้ใจสามารถที่ตั้งมันในตัวเดียวขี้ใจปัญญารอบรู้ในใจนั่นศีลสามารถที่ปัญญาเขารวบลงตัวเดียวอันมันจังปฏิบัติง่ายวัฒน์ประคุ้งอยู่นอกแหะพุ่นไอ้ลุกไอ้คอวัฒน์งบป่าอยู่นอกแหออ วานแห่ลงแล้วก็ง้อไม่ได้แห่แล้วได้ก็เอาแท้ของเขายังงายาบค่เครื่องโลกเลยว่าการออกจากไกจไปเรียกว่าง้ป่านอกแห่คิดต่างทันตังสุ้ขาว่างคิดที่ฝึกฝนแล้วนําสุกมาให้เอแต่นำสุกมาให้ไก่ตัวคิตทัศน์ธรโทสาธุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีว่าแตเนี้นี่ยอาเฮี้อาจโน้นาโท ตนเป็นในพึ่งของตนก็คือใจเป็นในพึ่งของใจนอกจากใจไม่มีอันใดจะทําลายใจนอกจากใจก็ไม่ไม่ีอันใดจะทําใจให้สูงขึ้นในทางดีนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําใจให้ต่ําลงในทางตั่วนักนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะพึ่งใจพระพุทธเจ้าก็มาสอนค้นบาปเสืียใจผิดมนุษย์พระพุทธเจ้าก็บอกสอนเพราะมั่นใจมันบริเวณบุญมันบริเวณมนุษย์จะพุ่มนะว่าท่านทั ถ้าไปนี้มั่นกับบ้านกับยุไก่เอี่นทางกับยุเวิร์กเนี่ตางคนต่างมาร่วมกันด้วยเด็กคน พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันส้งพระหาประมาณว่าไมได้อันนีมีประมาณอันไม่อยู่สุการทุกเวลาอันหาประมาณไม่ได้ขอให้พี่น้องเช่าพูช่าทั้งหลาย ท, ทั้งทั้งใจโลกธาตุ จงผสมเจ้าว้างสุขควางเจริญได้บอกว่าเราพุทธศาสนาของพระสมมากับพุทธเจ้าของเฮาและลึกได้เพลึกได้กว่านีทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งรับทั้งตื่นตาต่อเท่าขอสู้เพระไม่าพาดผลจากทุกนวัตาสงสารทุกทนหนาต า, ามพวาประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื อ, องมุมีพม่านั่นก็าขาเถินน้อง ออกจากน้องหารกับผ้ายบาดลัดโคกไปบันคำตานาเบิดมือไปนอนบันคำตานาอ่ะออกจากบันคำตานากับผ้ายบาดเบดมือไปนอนบันพออกจากบันพ่ผ้ายบาดเบดมือไปนอนบันดุงออกจากบันดุงเบดมือไปนอนบันวังทองไปพัทกท่องเพื่อนงาน ยี่บมือออกกากบานว่างท่องอะไรไปนอนบานหกค้อออกกากบานหกค้มัดมือไปนอนบานทอนไม่ตียางต้องยางไรนี่มุกขสมือนี่เด้ส ม, มือได้ชีรถแลักก็ได้าเทีนาพื้นนดงสลกักอ เมืออ่อดังเป็นแงบเป็แงบพงามเป็นตัวหนังสือออกสลามแมงกูเพเขาสูรุนเนี่ย ม, ม่เอานะสูมือเนี่มันสบายแต่ได้สูมือเนี่ยแรกอะออกจากบันทอนกลับมานอนน้องห้างออกจากนอนห้างพุ่นแล้วเาเพื่อวาน้อนขามอาเพื่อวานอ น, ออ น, อนไปนอนบาดกุด เ, เพื้อไปพ่อตํารวจเพื่อเห็นเสือกเอเห็นผ่าผูกแขนใส หมาเรียกว่าซอกอนท่านหลวงพ่อมาจะใสามือนี้วะท่นมาจะบันน้องห้างวะประตูไปย่างจังไหนสลดเขาเดียววะท่นถ้าว่ามันถ้าไกลอยไปไนได้จบันน้องห้างมานี่วะท่นขันวองหามันขันอายสามสิบแ้ตายเป็นตายย่งเป็นยงนีขั น, าาข น, ยยขนส ม, มือนี่เ่ไหรแล้วันมเอาเสียกผูกขอแก้ว <c oughs> <c oughs> ะไว่ไหรเลยส ม, มือแล้วเข้าไปไปนอนมัน กุธเท้อมันกุดเท้อน่ไปพักวันาณสามคืนอากากหันไปนอดมันว่าออกากมันว่าก็ไปนอดมันสีบิ้ลไซ้อากาศมันสีเบิ้ลไสแไปพักก็มันลหน่อยสามคืนไปสวดมนต์ซอยหลวงปูบุญมาอยู่ตัวมานี่ก็ดี้มาสวดมนต์เทาซอยเทาแนวถงอันี่ร้อยปบเก้าได้เนี่ยเพราะอากากหันแล้วค่ะอากาศบาน โค้งันดวงน้อยแม่วันสามโถงดงน้อยสามโถงดงพะเนวห่ะออกกากหันกับพันอนพุ่นแล้ววันอ้วนวันเฉียวกับออกกากวันอ้วนมันเฉียวกับนอนใส่บุรี่ออกจากอ่าซ่อนนออกกากใส่บริอับกับน้อนพุ้งเทศไปหาพระในจันรอุ่นออกกากพระในจันรอุ่นกับพุ่นแล้ววันนี้นักพรตวันเนี้ย ออกากางนคว่ำนอนดงสะพังออกากางดวงสะพังนอนวันแสนพันมันย้อนออกจางวันแสนพันมันย้อนกับว่าหอดหาดพระร่มกับเทียงวันเป็นฝีเป็นฝีที่หนาแขง้งเป็นฝีที่หนาแขง้งข้าหลังเลืเไปรักษาฝีอย่าหันเดือนหนึ่งหาออกากางันเข่าทำโพยท ร, เรงเนี่นขึ้นอุดรเจ้าของไปทำโพยตพัวเดียว ออกกำลางทำเพลากันเลาะตามไส้เขาเลาะตามไส้เขาไปนอนงบัดข้อกลับขึ้นใน้รียบวันในโค้งในเรียบวันลเลเาะทั้ง้ายผู้โค้งนั่นมันข้อออกจากหันกลับไปนอนบ้านหัวเหยีบออกจากบ้านหัวเหยีบก็นอนเตา ง, งอยอออกกัดเตา ง, งอไอกับ คุณละวันไพ่ลูกงุงขึ้นไปนอนนำล็อกผู้ฝันคืนหนึ่งออกจากล็อผู้ฝันนะครไปทําพระแดงออกจากทำผ้ า, าแดนกลับไปนอนมาหน้ารถเข่าพอออกตอนบาออกจากมาหน้ารเขา้าแล้วก็ไปนอนบ้านพ้าข้ามูออกจากบ้านพ้าข้ามู้ ไปหอดรัวปูมันพอเที่ยงวัดนี่แ่ละสองันสี่รอยแปด8ิบเก้าอันโตสองพันี่้อแดแปดอั น, นก็เลยโยหันปีที่สองมาไปเที่ยวครับหลวงพูมหาหลวงูมหาบัวเพิ่นเขาหอดรัวปูมันก้อนโตเรียนหกเจ้าเขาหอด กะไข่ไปเทีย่ยวกเพื่อนไปไข่ยันเพื่อนนักแก่เน้ล่าเพื่นหนีล่าเพื่นนี้กัดประหอดลบูกรอนบอกลบูให้ขานอยนี่เนาะาสังส่ลน่าบอกให้ขา น, น่อยเน่ยเพื่อทิวาไปกับท่านมาหาม่ลงกันมันแตกกันว่า ห, หัวมันยูน้ำพัฒวนาวาไปบอกเพื่อนกรไปบอกเพื่อนเนขานอยเนี่ยมาั่งบอกว่าเพื่อนไข่เดวเพ่นจะไปรอลองบูเดี๋ยวขยขยไข่เมันไข่เน่ยแม่ามสาซ่างอันไข่แม่สาซ่างคือไข่องไรคือ ไข่ปากินก็กินได้อยู่สักสามสิบสี่มื่นบไข่สามสิบสี่ื่นบไข่ปวดหม้มามอัมอบไว้คนน่ะพามทุกข์มาในวาระสงสามเนี่ยพูดได้ว่าขึ้นเรื่องทุกข์หนึ่งเฮาบอยย่อมบอยทอขา่าบอยทอขา้าบอยทอขา้ามันเสียงกัในได้ใจเมื่อยอยู่นี่นข่อนน้าคือว่านี่สิบสองปีพนี่ยคนน่ะจะค่อยมาได้นี่ยจะค่อยมาได้เป็นจังหวต่อหาสองพันสี่หสองพันหารอยี่สิบเก้าเป็นจังหัต่อง ผู้อย่างเดียวเนี่าให้จแต่เมื่อตาบางพีตีตาบางน้องในเล่เนี่ยคำของท่นว่าขอท่นานนะนับผีเป็นลูกแล้ววันที่ได้สบายเพราตายแล้วค่ะเนี่ยพราตายแล้วบาเนี่ยเราขเรื่องทุกข์มากมันเป็นเรื่องเพิ่มความเคสลาบแม่วาตาสองสารตัวพี่น้องเอ้ยผู้ที่เจ้าสอนให้เห็นทุกข์นั่นแหละเม่เห็นทุกข์ มันมเพิ่มกวางเคล็ดลาบในวัตตาสงสารกวางเล็ดลาบในวัตตาสงสารน่มันเป็นตัวศีนเ่เป็นตัวสมาที่มันเป็นตัวปัญญานี่ในตัวสีมันตัวเป็นตัวเขาเมา้าวว่าเป็นเขาลงโทเลยเสงมากมันกับโมเมนแล้วให้ อ, อกขอาสันเอาหลอดว่าพเพื่อเพิ่ในวัตตาสงสารสูประมาคือเพื่อ น, นําลุนทานเพิ่มกันแลเพื่อนในแก่ในเก็บในตายน่ะคําสอ น, อนเอาพเจ้าสอนในี่ยาวุธควเพิ่นในวัตาสงสารเนี่ยเห็นโทษในวัตตาสงสารเนี่ย ผู้ใดเห็นภัยในวัฏสงสารเรียกว่ามุนจิตุกรรมยักตายานเรียกว่าพยตูประานายานความเห็นภัยในวัฏสงสารเป็นของน่ากลัวอารทีนาวานุปัสนายานคนํานึงเห็นโทษเห็นโทษที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารมุนจิตุกรรมยตายานวิชาคํานึ่งจะไขจะพ้นไปเสียเพื่อจะออกก อ, อกทุกหน้าวัฏสงสารปฏิสังขานุปัสนายานก็พิจารณาาทางที่จะออก เสรักษาเส้นห้าเส้แปแล้วมาบวชเป็นต้นนั่นะนั่นมันเปนของเหรียญวัตตาสงสารนั่นเองเกิดก็เกิดอีลีแกกับแกอีลีเก็บกับเก็บอีลีตายกับตายอีรีทุกข์กับทุกข์อีลีวิ่งออกพัดภากกับวิ่งอกพัดภาคอีลีนั่นมันเปนของเหรียญจากแนวเปิดเผยอยู่จับตัวสัจจะท่านดังไอ้สั่นท่านทังกองทุกประกาศยุคคือ กองคือข้องตีอยู่บนเมียกับแมหนึ่งคืนนะท่นเห็นทุกขณะคิดเดียวเห็นโลกรอบแล้วโลกจะไปื้อย ก, กองทุกเห็นเกิดคณะคิดเดียวเห็นรอบลกูกโลกแล้วเรียกว่าโลกแต่ไปด้วยกองทุกเกิดเกิดว่ายิ่มจะคนเมีบอมียจะห้ยรึเป่านาฬมัตเิเร้ยกว่าพานสนามทุกออมันเริ่มธรรมาะมันสี่เดียวเลิมธรรมะพานกองทุกเพราะเกิดว่ามันก็หาโรด ผู้ยิ้มมีอยกเทียบอกหัวไม่อยากเทียบอกนะ <c oughs> อุปสรรคเปัญญาพิเศษเป็นเหตุให้เบื้อนายไายเมาวความหลงของตนจะค่อยลงมากเบื่อนายโลกก็คือเบื่อนายควมหลงของตนนี่แหละเห็นโทษในโลกก็คือเห็นโทษในควมหลงของตนจะค่อยลงมากเองล่ะโลกดินน้าําไฟลมมันบริสรุทธิ์ไหนเฮ้ามามาหลงมันเด้เฮ้าข่าวมาหลงมัน มือยื่าถือว่ามันเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสา์เป็นมุคนชืคอดินน้าไฟรมผมนน้ฟนทางเนื้อเอ็กระดูกเือน่กระดูกว่าผมจใจตาบางปวดไตปอดใหญ่ ใ, ใน้อยอาหารใหม่หางเก่าอันนี้เป็นธาตุดินธานา้ำดีเสด็จน้องเลื่อนเหงื่อมันค้นน้าตาเปรมาน้าลายน้มูกน้าไข้ข้อน้มน า, นามูดธาน้าไฟเทียนอ่าดีเสด็จน้องเลื่อนเหงื่อมันคนน้ตาเปิมาน้าลายน้มูกน้ไขข้อน้มูด น, นี่ธาตุน้ำ ไฟทียงกายให้ขบวนไฟที่ยงกายให้สุดโสมไฟทียงกายให้กบวนควนยไฟที่เผาอาหารในย่อนี่ธาตุไฟลมพัดขึ้นบ่างวลลมหายลมเลอะลมอ้วกลมพัลงเมา่ต่ําลมหายลมหรือลมถ่ายวุฒิราชปัสสวะลมในท่อลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็น้ํานั่นก็ดินนั่นก็ไฟนั่นก็ลมตัวของเห่าจะสายหันอย่างเงี้ยออกแล้วแต่กระจายคือธาตุทั้งสี่พันว่าเงี้ยธาตุออกแล้ตัวเห่าหรือมุมี้นี่ <T> <T> <T> คือพุทธิวิหารสาราอะไรเงีออกงัดเนี่ยแล้ว่ามาสารานี่ก็บโมมีมุ่งมากออกซะอันนี้ก็มาออกซะเข้ามาสาราบมมีอันนี้คือกันเข้ามาตัวเล่าก็บโมมีกันเท่าแยก่ายเงี้ขันออกเวทนาสัญญาสันขาเวทนาเนี่ยคือกันเท่าก็แเงีออกซะเป็นกองเป็นกองเป็นกองซี้กองฮาพันเป็นพูดพูดเราคือพูดซีนพูดปาเนี่ยความซื้อว่าคนความซื้อว่าสาระบุคคลโมมี่หมูฮั่นเ่าไงจะเชื่อแล้วมีแต่เราแต่เขาไม่ได้ซัดแต่บุคคลนั่นขัน ความหลงง่ายๆของเฮ้ามันกไม่หลงเสีแนลหลงของเสี้ยวมาเป็นของเสียวหลงของเป็นทุกข์ก็เป็นของทุกข์หลงหลงของมันเป็นตัวเป็นตัวนับเป็นของตัวเป็นตัวเป็นตัวหลงของว่าสวยว่างามว่าของสวยของงามคือหนังหุ่มอยู่หลยรอบนี่แหละเฮ้าหลงว่ามันงามหลอกนังเข้าไปเบื้องลู่หลอกหนังออกเบื้งลู่สองตต่างซื้อวอไม่ไครซื้อเอ้าชั้นหนังเข้าไปเป็นชิ้นๆเนื้อพอกกระดูกไกวเหมือนด่งดินทาฝาเอ้า เอน็นเอ็นก็ผูกมัดรัดรึ่งกระดูกไกวเหมือนดังเฮ า, เอา เ, อาเอาเครื่อมัดฟื้นเอาเสื้อมัดฟื้นเยื่อในกระดูกเขาือปมาคือหยอดหวเขาเขาอ่ อ, อนๆเขาเอาออใส่ไส่ในกระบอกไหมหมามตัวทั้งหัวใจเนี่ยครื่องปะวงสองงวยมีขัวอันเดียวกันี่หัวใจอท่ากลางอกนไง เหมันดอกบัวตูมซ้า น, นี่ไม่ใช่่ใ่ขันผ้าออกนี่ไม่น้ำเยอนี่นี่ซอมือนึงนี่ขันเวลาเข้าโปรดหน้า ม, มันนิดแดงดาเขานี่เวลาเข้าโรกเฮอกันเวลาเ ข, าข้าหลงเฮ้กันขันเวลาเขาเดินจกรมพรวนานาหรือเข้าไหวท่านาาศิลพรว่าน้าาเรี่ยวให่กไสออกเห็นได้ัคนคตเขาตายน่ะเพิ่งจะเอาหน้าบมออกผ้าไปล่างนาศขันนา้าจิตนใจของเขานั่นมันบวชใสเครื่อน้าหมวกผ้าในหมู่เขาสศรษฐมาทองเที่ยวตายอยู่นี่เ้อไว้จะขันดอก สอนกน็เป็น่ย น, น, นหนว่ามันสดว่ามันล่างผู้ลคนมัว่าล่างนาศพให้ศพไปสวรรค์น่น ล, ล, ล่างเข้าหอเข้าไปสวรรค์ไงเ้าพิจะานอเขามาว่าขณามของเขา น, าน้าจิตน้าใจเข้ า, า, าภาษาคือน้ากเภาเนี่ยเข้สเสียมาเกิดแก่เก็บตายยู่นี่แนหะ ว, ว่านท่นเนาะวานเขาตะแกว่าวานในผีว่านผีตโลกมันหนักข้าถามว่าท่นมันบมูมนกระดูกของเขานี่มันสิกระจัดกระจ่ายอยู่ยังที่ขณูปุ้กเก็บผูมิเอนว่าอย่าง่นเนาะ ฮามเวียนกองกองฟ่อนทำเนียมของล่าเวียนกองกองฟอนสามหคันว่าบ่พ่นจากโลบจากโกรตจากรงนี่สนเสดเวียนมาเกิดแก้แ็บตายยศีละ ว, ว, ว่างสันนอวากุศลธารมาพุทธว่าว่าให้ผีแล้วไปแท้ไหวคนดีพี่ขำนีบุญก็ญกญกไปหาบุญคำนีบาปก็ไปหาบาปเด้อมูเฮ้าว่าวสันดอสังขารเนี่ยปมันบ่วเชียงเด้ออันนี้จาเพะว่าออ คนจากที่เดแล้วเขาสูเขาจพลาดเป็นซูย่างยิ่งว่า่นตทั้งหมูกระสมสกุลนะสัิ่ตาอยู่เดียวนี่ก็ดีทิตาไปข้างหน้าก็ดีหรือตาในปัจจุบันก็ดีนิดสังสยย่งนักที่มเอจะสังสัยโย่เข้าใจจะผสมสายว่าท่านเป็นตั้งี่ละว่าจสั้นเนาะเนี่ยมูห่อว่าพี่กันาเปิดสัเอาได้เงินเขาแล้วสบายอยู่สมัยนั้นยากกันแม่หมอยากกันส่ง ไปเก่งหาบางรูหาความสุขในโลกไปเก่งเอายกเมื่อคืนไปเก่งผู้นี้ไปเก่งนี่ผู้นี้หาความสุขในโลกผู้นี้ว่หาคู้ามชัมอบุ่งที่นี่เพื่อในเก่งหาไม่่าหาความสุขในโลกพระละหันเก่งที่สุดเก่งกัวเฮ้าหาความสุขในโลกพอมีคนจังเบื่อนายโลกคนจังเข่าสูพคนจัพานไปค่ะคนหาพรเห็นสุขของคืนหัตกับไมโยเซยาสุขเกิดแต่ความมีครับ สุเกิดแต่กายทรัพย์บริโภคสุเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศินสุเกิดแต่ทํางานที่ปาฏิจากโทษทึกอย่างนั้นก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นอะแปรเปล่าและแต่สลายมันเมื่อูมีสุขทอมัง่ายขาเห็นเลยพระอธิราชเก่าคนจังเบื อ, อนายข้าม่อกวบหลงเอาเพลินคนจะเก่าสู้พระาัไปั้นไป่านั่งเต็มหัวเข่านะแงนาําลำไรคนจีนด้วยนี่พระพุทพระธรรมพระสงฆ์ พูดแทั้แทสองแทะคือพายนพนเอไปรวบคิวกันดุ่นรบหาขาพันกันด้วยสูมืออร์นี่ไม่หยังแง่งขี่กันให้แล้วมันว่พอกินพ่อขี่เดว่าจังไรสัญาติขี่กันขนาะพระพุทเจ้าเพิ่นพระมประสง์แทะเพิ่นพรมาญาติขี่น้าตัดกับม่ห้าวม่ห้าญาติขี่กันจินเดี๋ว่าสั้นเอะนันนี้ฉันมาเห็นพูรกรเพราว่า เชกว่าสางตายัก็ดอกีพระกรรมฐานว่าคนละคนก็เขาใจคิดกระสันแต่ว่ามันห้องตัวมันกันลำวากันแล้วคำว่ามันขี่กระตือพระพุทธเจ้าถ้าแล้วมันก็แเลทัตัวนึกออกสันว่าคว่ามันวัดนั่นของผู้นันวัดนี้ของผู้นี่แล้วเอาวัดไปแข่งกันหรเพราะว่าวัดพระพุทธรธรรมพระสงฆมันก็ของยะเข้าระว่างที่แล้วอันนี้ระว่าไม่ห้องตัวเบิร์ตจะไปแทมันเรียกขีกระตือพระพุทธเจ้าหรเาว่าเาว่าันเนาะ แน่นว่าสันงูห่อซางซูเมอร์เนี้ยมันจีท่อข้างทับชีดาเพราะงั้นข้างพุทธเจ้านา่งวิสาขาสร้างวัดบุพเพลาภังค์ข้างนี่ข้างทิษเตวส์ตกเชียงเหนือเนี่ยของวัดบางสาวัตถีเนี่ยเซเก้าโกดเซ๊เก้าโกดเอาเซี๊ไปคุยมึงรู้เซี๊าเนี่ยเป็นโกดเซี๊ยเก้าโกดเซี๊เก้าเก้าเซเนึงเป็นเซีเป็นเซีเก้า ร้อยเก้าสิบโกดนั่นผู้เดียวกระเป๋าเดียวเลยเนี่ยเอาอนาควินนี้สร้างขึ้นนี้ภาคเอกตะวันมหาวิหาเนี่หโกดเสอหาโกดเอาเสียไปคุณมึงรูหเนี่มันเป็นท่าไหนฮะเน่ะเสียไปคุณมึงรูฮะเ่นเสร้านยังเป็นโกด้วยโกดจะเป็นโกดดีดีนี่ยเพราะมันเกิดการคือม่เฮาเนี่กระเป๋าเดียวได้เน่ยเสียหาหาเสทดหาเสหนึ่งมันไปเสี เป็นิเป็นชิวหาบ่ลหาชโกดบ่ก็ลหาชิา ร, าชร้านบ่นั่นกระเป๋าเดียวนี่มู่ห้องแพ่กันวกกนาน่าันจะจตายแม่นบ่ปานนั้นเราดูถูกว่าข้างของพุทธเจ้าบ่พัฒนาพัฒนาเป็นพระสดัณฑ์มีพัฒนาเป็นพระท้าข้ามี่กมี่พัฒนาเป็นพระนาข้ามี่มีด้านก้อร้างกั บ, บท่านคนเสาห้องเจ้าข้ามตันทา้งแท ง, งยอดซอผ้าพีราแกวน้อยนินยสันตัวเท้ า, าอ่านยนะ่อันนี้มันมี่บ่ มันประี๋มีเด้ส้าปูนกะสาหรือกันสิตายแม่บอกสมัยชิบหายหั่งมู่นนั่เขาที่ประมาณประคางพุตการข่าวาอันนี้นะทัพโสมหนึ่งท่พระกรรมถานแม่บอกรรมฐ า, านกรรมาทองกรรมหลอกเอาของเพราะว่าขันพุเอามาให้คุยไผไปงาดก็เวยแม่บอก ข้างพระเจ้ากับมีแต่วัดปลาเมือน้าพี่น้องเอ้ยบ้านนั้นมาหูมีเสือหรอกวัดปลานี่โคตรท่ารา่ำกัวัดปลาปลาไหม่เนี่โคตรวัดเจ็ด ต, ตะวันมหาวิหารก็ไกลบ้านยีสีผาเซนช์สวหาหาร้อยขาทะนูขาทะนหนึน่งสี่ศอกเน๊ะมาเดียวกิโลกี่เรกคือเฮาหาร้อยขาทะนูมันกัดทอกาวยีาเซนเฮาเด้นั่นเวรวันสวนอพยมุ่น สวนใหม่บางงวงของหน้ามัลเกาพก น, นัมีตวัตปดปลามนน่ะคาร์ลอผ้ละกัว่าเอ้วัดปามันก็ เ, เกิดมาว่า น, นพ ว, ว่ามันเกิดตะปาเพราว่าขีดะน้ำผลตะปลาข้างพระเจ้าเขาว่าเถียงกับพระมีแน่วพระพุทธเจ้าเกิดกับเกิดโยปารัตลูกกัระตเทลู่โยปามันนั่ังเกียรวัดปลาเออรังเกียรวัดปาคังเกียร์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอยูป่ป่าเด้สอนในแพ่พักในป่ า, ปา เราเย็นดีในเสนาสนาป่าเอาไว้แ่นีร้รถปูมันรถปูมันนี้พาดไหมท่าเท่าเทลาประ่มกันแน่ป่าแน่เขาว่าแม้นนาที่สิไปเฮ็ดกับตอบกระแทกแล้วมัเป็นเป็นที่ซุ่มซ่อนของโรอจรนนปรึกษากันเอาไปเอามากเขเลยเถียงกันนะเนี่ย ว่าโจรมันมอยุปลามันมอยุบ้านเนี่ยวะ่นมันอยู่ในหลวงใจคุนเอว่านยุแนกุ้งเสียมันแหงหลายวะ่านเล่สู่ผู้นี้วะได้ว่เนาะสู่ผู้อื่นยังท่นวะได้มันมอยุป่ามันมายุบ้านเนี่ยว่านมันอยู่ในหลวงใจคุนเหรอวะท่านไปถึงแ่เจ้าวะท่านถยงหน้าไปม้างถึงแม่เพาถือสัมภาเขาวะเ่านถึงหน้าเขาเขาไม่บทิบตัววะท่เล่สู่ผู้นั้นวะได้สู่ผู้วานอยู่ในหลวงใจคนวะได้ ขันธ์อ่ามีปลาี่บอกอนุาสาตยังไหนกระบวดว่าอะไรเท่ากั น, นผู้ใดรบวดกระบวดกรรมฐ า, านตายคื่ากันทุกคนแกซาโลมานะขาธันตาตาโจเแกซาผมโลมาขนขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังเออเวลามันมีเท่านี้แล้วนั่นต้ออยหิงไปเอาท่านี้สัก้อนมาัผู้ใดกบวดกระบวดกรรมฐ า, านวัดอะไรอ่ะส่วนทีปฏิบัติเอาว่าปฏิบัติเอ า, าเป็นเรื่องหนึ่งเอาของสัก ไปู่ผู้แก่ทง า, าเจ้าหุม้าหูาม้าถามมิได่กนหน่อยๆก็ปันมได้ผู้คนนนมนมมา้าผู้ขาอายุจักษี่สิบปีฮะละมามาถามผู้ขาพวกภระวัดบ้านข้าเจ้าหุมมาหุม่านั่งนี่ผู้ขานั่งก็เพื่เดียวสมัยอันตอายุจักษ์สิบปีท่านในการมหานิการหรือธรรมยุทกับมหานิกายกับธรรมยุทอันไหนดีท่านมาถาม แล้วก็ตอบตามโกงรถนายดำกับนายแดงใครดีแังหน้าว่างใครใส่ชื่อให้นายดำนายแดงใครใส่ชื่อให้ก็เพราะนายดําชอบชื่อดําก็ใส่ชื่อดำนายแดงชอบใส่ชื่อแดงนายแดงก็บอกใส่ชื่อนายดําทําผิดนายดำก็ต้องผิดนายแดงทําผิดนายแดงก็ไม่ก็ต้องทําผิดนะเาเป็นรมศาสินาไม่ได้ยืนยันว่ามหานิกายหรือธรรมยุทธเป็นสาวกของเรายืนยันแต่ว่าสุภจรปโนชุยยะสามีกิเท่านั้นเป็นสาวกของเรา เอสามพระกระาตัวเศ้าสร้างโคนี่นี่สาวพของอพระูุญญาภาเจ้าไม่ได้ยืนยันว่ามหานิการจะทำอายุธเป็นสาวกของท่านแล้วก็ตอบไปตามโกงสิเขาจะว่ า, เ, าเออถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าฟังมากพรุ่งนี้ไปเยี่ยมผมนะ <c oughs> ไม่ได้ไปหรอกเพราะเวลาเดี๋ยวนี่กำลังเร่งทำความเพียรเดี๋ยวก็ไปหาหลวงปู่หลวงปูงป่ถามให้ได้ความหลวงปู่จะดุหลวงปู่เทศจะดุวะเยฮะนี่หลังหลังหลัง หลังถวายเพเพิ่มลงปวงหมันแล้วลงไปกับลงประเทศเด้ลงไปพวกเ็ดพังงาทองเที่ยวนับสัตว์า่าปางกรเทะะา่ารามเที่ยวสงสารจะป่าประทศเทามันโมแมนเพลินได้กระแมนมูเฮานี่เลีวเที่ยวสงสารจะาปาประทมเทาว่าอของท่นน้ำตาโม่เฮา ส่วนกับหนึ่งเก็บไวย้ยศหนึ่งในอิติวุตกะบุาหัยมันบุาหัยมันอันตรธานไปส่วนกับหนึ่งเขาไม่เพระพุทธเจ้าหาพระองค์บ้างสามพระองค์บ้างบุาหัยมันอันตรธานไปหนมากเขา้องของเก่าของโม่เฮาทีเคยมาตายแล้วมื่อกี้น่ะเล้า่าของท่านเอะนันมันเห็นว่เของใหม่เนีเนี่ยเขาจอศาสตร์่ไหคือศ า, ตา ส, สาตร์เป็นผีเอ๋ยอวนศาสตร์เป็นั้อเป็นคั้วเป็นนกเป็น น, ป น, นูเป็นปูเป็นปีกศารนาพัดเนี่ย เหลยวพกพุเจ้าพนาท่านเอติมุตะกะน่ะผู้นี่เื่อคยเป็นพ่อผู้นี่เ่คยเป็นแม่ผู้นี่เ่คยเป็นอ้ายผู้นี่เ่คยเป็นไส้ผู้นี่เ่คยเป็นนองหญิงนองไสเื่อคยเป็นอาวเป็นอาเป็นมีดเป็นสหายเาพวกนู้นในไต่โลกธาตุบ่แม่นชาตินึงกระชาตินึงเพกพุทธเจ้าอนุ่าไ่น